ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่4ี่โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3สแผ่นที่4ี่ิบให้คติธรรมว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ปัจจุบันนักรรม คือการกระทาในปัจจุบันอดีตกรรมคือการกระทาในอดีตที่ผ่านมาแต่ตามไม่จริงคําว่าปัจจุบันนัรกมก็คือในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็คือปัจจุบันนัรรมอดีตกรรมก็คือช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลานาทีชั่วโมงวันคืนเดือนปีที่ผ่านมา ช่จะว่าเป็นอดีตกรรมก็ใช่แต่ว่าอดีตกรรมคํานี้ในหลักธรรมคําสอนคืออดีตที่ข้ามพบข้ามชาติเมื่อชาติที่แล้วอันนั้นถ้าว่าเป็นอดีตกรรมกรรมในอดีตท่านยกตัวอย่างอย่างพระโมกราณนะถระที่ท่านได้ฆ่าพ่อแม่ของท่านท่านก็ได้รับกรรมในปัจจุบันชาตินี้อันนี้เป็นอดีตกรรม แต่ตามไม่จริงคราว่าอดีตคือนอกจากขณะนี้เดี๋ยวนี้ไปแล้วอันนี้เรียก ว, ว่าอดีตกรรับการคากรรมทําได้สามทางมโนกรรมคือการกระทําทางใจกายกรรมคือการกระทําทางกายวจีกรรมคือคํำพูดการกระทํากรรมทางคํำพูดมโนกรรมการกระทําทางใจคือ โลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดอยากทานองครองทมอันนี้เรียกว่ามโนกรรมกายกรรมฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราอันนี้แล้ววากายกรรมวจีกรรมพูดเท็จพูดโกหกพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้ออันนี้เรียกวจจีกรรม แต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามโนกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทว่าใครก็ตามเป็นมิจฉาทิฐิเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วเห็นบาปเป็นบุญเห็นขุนงามความดีเป็นความชั่วอันนี้คือมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดจุดนี้อันตรายมากแต่มนุษย ชาติทั้งหลายเขาเห็นแต่เรื่องการแสดงออกทางกายการแสดงออกทางวาจาเขาจึงนับว่าเป็นความผิดแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าเรื่องของใจเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่เป็นมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดน่ากลัวคือโลภอยากจะได้ของเขาแล้วก็พยาบาทปล o ง g ไล่เขาเห็นผิดจากทำนองครองธรรม อันนี้น่ากลัวมากเห็นผิดจากทานองครองทำแต่กายกรรมฆ่าคนอื่นขโมยคนอื่นไม่เคารพศิตสามีภรรยาคนอื่นดื่มสุราอันนี้คือกายกรรมวิจีกรรมก่าวเท็จก่าวโซเสียดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกเหมือนกันคือก่าวโกหกคนอื่น หลอกลวงคนอื่นต้มตุ๋งคนอื่นกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นการทํากรรมทําได้สามทางที่ได้กล่าวมาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยนี่ย น, นะชื่อว่าสิ่งแต่ว่าธรรมนั้นจะต้องใช้สมาธิธรรมเข้ามากันกลองไตรตองให้รู้จักว่าการนึกคิดของตนเองนั้นจะนึกคิดยังไง จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐินึกคิดอย่างไรที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจะต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นบรรทัดฐานหรือมาเป็นแนวทางพวกเราจรึงจะรู้ได้แต่ตามลําพังของพวกเราคิดนึกเดาเอาเฉยเฉอันไหนเป็นที่ชอบใจของเราอันนั้นเราก็คิดว่าทําถูกพูดถูกแต่ตามไม่จริงมันเป็นเรื่องที่คิดผิดทำผิด พูดผิดก็มีมากในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นต้องเราต้องศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเรารักษากฎหมายเราต้องศึกษากฎหมายเสียก่อนแต่ถ้าเราทําอย่างที่เราอยากจะทํามันผิดกฎหมายเขาก็มีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะทําแต่ว่ามันผิดหลักพระธรรมวินัยก็มีเพราะนั้นต้องดูหลักพระธรรมวินัยมาเป็นเครื่องวัด เรียกว่าเป็นบรรทัดเรียกว่าเป็นแนวทางสำหรับให้พวกเราเดินตามแนวแถวทำคำสอนของพระพุทธเจา้าพวกเราปฏิบัติได้อย่างนี้พวกเราจะรู้จักทางหลีกเลียงหนีเว้นไปได้เพราะนั้น mp 3แผนที่49กนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ได้ยินได้ฟังไม่มากก็น้อย